พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอุทเทศ373ภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของลาวสัตว์เพื่อล่วงโซกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยยธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ประการ สติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้สามพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้สี 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัต ในโลกได้อุทเทศจบกายานุปั ส, สนาการพิจารณากายหมวดลมหายใจเข้าออก374ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป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 ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นส้ำเนียกว่าเรากําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าส้ำเนียกว่าเรากําลังกําหนดรู้กองลมทั้งปวง หายใจออกส้ำเนียกว่าเรารงับกายสังขารหายใจเข้าส้ำเนียกว่าเรารงับกายสังขารหายใจออกภิส <Gomez. S 1> ษุน์ทั้งหลายช่างกลึงหรือลูกมือช่างกลึงที่มีความชมนานาญเมื่อชักเชือกยาวก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกยาวเมื่อชักเชือกสั้น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 ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหลหมวดลมหายใจเข้าออกจบกายานุปัสสนาหมวดอริยบท3า5บภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดิน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 ถุงมีปากสองข้างเต็มไปด้วยธั ญ, ญพืชชนิดต่างๆคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองมเมล็ดงาข้าวสารคนตาดีเปิดถุงยาวนั้นออกพิจารณาเห็นว่านี้เป็นข้าวสาลีนี้เป็นข้าวเปลือกนี้เป็นถั่วเขียวนี้เป็นถั่วเหลืองนี้เป็นมเมล็ดงา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 มีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหละหมวดบนสิการสิ่งปฏิกูลจบ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 หรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้มีความชำนาญครันฆ่าโคแล้วแบ่งอวัยวะออกเป็นส่วนๆนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สีแพ l ่งแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่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 หมวดมนสิการพาดจบ